มาเรียนธรรมะนะต้องเรียนให้ได้นะเรียนให้รู้เรื่องเราก็ต้องเอาไปทำเอากว่าธรรมะจะปรากฏขึ้นในโลกนี้ยากลําบากนานๆจะเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นสักองค์หนึ่งใช้เวลานานมากเลยที่นับเวลาไม่ท้วนธรรมะทําไมกว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดสักองค์หนึ่งนนีะ่ยากเห็้นแสนเข็นเพราะธรรมะ ง, ง่ายเนยาก ง่ายจนยากธรรมะเป็นของที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาเราทุกวี่ทุกวันนี้แหละแต่เรามองไม่เห็นสักทีกว่าจะมีท่านผู้หนึ่งผู้ใดคนพบวิธีนะลืมตาตื่นขึ้นมาประจักษ์การทม้ที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตานานมากกว่าจะมีสักท่านหนึ่งแล้วก็จํานวนมากเลยพอท่านประจักแจ้งขึ้นมาแล้ว ท่านท้อแท้ใจสอนไม่ไหวธรรมะที่ง่ายจนยากนี้สอนยากเหลือเกินเพ้ากระแสของโลกนั้นมันดึงดูดให้จิตใจของสัตว์ทั้งหลายไหลาตามโลกไปหมดนะจิตใจของสัตว์ที่จะทวนกระแสเข้าหาธรรมะนะมันยากเย็ยนแสงเข็ น, น, นเหลือเกินกิเลสมันลากไปให้ทิ้งธรรมะไปตลอดเวลานี่ยโอกาส ที่เราจะได้เกิดมาในศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าอยู่นะมีไม่มากนะนานๆจะมีองค์หนึ่งอย่างถ้าพูดตามตำรานะบอกว่าเมื่อสามสิบเอ็ดกลับก่อนนะมีพระพุทธเจ้าสององค์พระสิขีกับพระเวสปูแล้วสามสิบกลับต่อมาไม่มีพระพุทธเจ้า กับหนึ่งนานเท่าไหร่กับหนึ่งนานตั้งแต่จักรวาลเกิดจนจักรวาลแตกสลายไปนะเพื่อมามีพระพุทธเจ้าในยุคพวกเหล่านี้ในกับนี้เรื่องว่าพัทระกับนะคิดดูสิสัตว์มีทั้งเยอะแยะพระพุทธเจ้ามีน้อยน้อยน้อยเต็มทีหนะรือว่าครูมีน้อยแต่นักเรียนก็มีน้อยเหมือนกัน ส่วนใหญ่สาธุรายกิเลสมันดูดเอาไปหมด น, ะนี่พวกเราถือว่าเป็นคนกลุ่มน้อยเราอย่านึกนะว่ามาอยู่ด้วยกันนี้ดูพวกเราเยอะคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อน<ม>ั่นก็มีระดับหมื่นระดับแสนอะไรอย่างงี้ที่ได้ฟังนะไม่ใช่ว่าที่อื่นไม่มีนะหมายถึงว่าเวอร์ชันที่หลวงพ่อสแสดงนะมีระดับระดับหมื่นระดับแสนเท่านั้น เท่ากคนไทยทั้งประเทศนั้นก็นิดเดียวนิดเดียวคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยเพราะพวกเราจริงๆเป็นคนกลุ่มน้อยน้อยอย่างยิ่งนะเราประมาทไม่ได้เลยศา ส, สนาพร้อมจะสูญหายไปนะสูญหายไปได้ยังไงสูญหายไปจากความรู้ความเข้าใจเพราะถ้าเราชาวพุทธเราไม่ศึกษานะไม่ศึกษาให้ท่องแท้นะ ไห้ศึกษาให้ครบปริยัตปฏิบัติปฏิเวทศานะ ส, สนาก็ดำรงอยู่อย่างไม่แข็งแรงปฏิเวทก็ต้องมีปฏิบัติแล้วต้องมีผลนะต้องบรรลุมรค น, นิพันถ้ายังไม่บรรลุนิพจ น, นิพันธต้องเห็นผลเหมือนกันว่าชีวิตดีขึ้นความทุกข์น้อยลงนะกิเลสเกิดขึ้นรู้ทันได้มากขึ้นกิเลสครอบงาได้น้อยลงรู้ทันตัวเองได้บ่อยขึ้น มีศีลมีธรรมมาขึ้นนี่เป็นเครื่องวัดพัฒนาการว่าเราได้รับประโยชน์จากธรรมะจริงๆนะงั้นอยากให้เสียทีนะอุตสาห์เกิดมาเป็นมนุษย์แนละ้วอุตสาห์เกิดมาในแผ่นดินที่พระาศาสนายังดำรงอยู่นะอยังได้ฟังธรรมได้เข้าใกล้ครูอบาอาจารย์ได้ฟังธรรมเหลืออันเดียวนะเหลือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมการที่เรามาฟังธรรมนี่เรียกว่าเราเรียนปริยัต เมื่อเราเรียนปริยัต์แล้วนะเราต้องลงมือปฏิบัติลงมือเจริญสติสิ่งที่เราทำมันมีสองงานคือสมถะกับวิปัสนาพนะระพุทธเจ้าท่านสอนบอกธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะกับวิปัสนาทําสมถะด้วยความมีสตินะเจริญวิปัสนาก็ด้วยความมีสติถ้าขาดสติแล้จิตเก็เป็นอกุศลแล้วจิตเป็นอกุศลทําสมถะไม่ได้จริงหรอกทําวิปัสนาไม่ได้จริงหรอก งั้นเราคอยรู้สึกตัวก่อ น, นะรู้สึกตัวบ่อยๆอย่าลืมเนื้อลืมตัวจะทําทสมถะนะก็น้อมใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่เป็นกุศลต้องอารมณ์ที่เป็นกุศลด้วยนะแล้เป็นอารมณ์ที่ทําให้จิตใจเรามีความสุขความสงบงั้นเราสบายใจอยู่ในอารมณ์ชนิดไหนที่เป็นกุศละเราก็อยู่อารมณ์นั้นบ่อยๆมีสติอยู่กับอารมณ์ันนั้นไม่ใช่ขาดสติเคลิ้มอยู่ในอารมณ์นั้นะ หลายคนชอบมานั่งสมาธิให้หลวงพ่อดูเกือบทั้งหมดเลยที่มานั่งให้หลวงพ่อดูนะบางวันมีทั้งหลายรายนะยกมือขอนั่งให้ดูดูไปดูมามันก็เหมือนที่หลวงพ่อนั่งสมัยเด็กๆอะนั่งเอาเคลิมอะนั่งให้ใจเคลิมให้ใจสงบลืมเนะื้อลืมตัวไปนะพอลืมตัวได้ที่เราก็ฝันเนื่วันนี้มิดวันไหนฝันดีขึ้นมาโอ้วันนี้ภาวนาดีโถน่าสงสารสงสารตัวเองนะว่า เมืกก่อก่อนเราก็สืบทอดความเชื่อของหลวงพ่อก็มาเป็นรุ่นๆนะทาสมาธิทําสมาถานก็ต้องมีสติจำไว้นะขาดสติเมื่อไหร่จิตเป็นอกุศลเมื่อนั้นเลยงั้นเราน้าจิตหนีในอารมณ์ที่มีความสุขเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลด้วยความมีสติอยู่ในอารมณ์นั้นนะไม่บังคับจิตให้อยู่ในอารมณ์นั้นไม่ได้บอกให้ข่มจิตนะไม่ได้บอกให้ขม่มไม่ได้บอกให้บังคับนะแค่ให้มีสติระลึกอยู่ในอารมณ์มันั้น อย่าหลวงพ่อนะชอบหายใจตานเด็กๆชอบหายใจพุโทโธเดียนจากท่า น, นพอดีวัดอโศการามท่านสอนให้หายใจเข้าพุทธหายใจออกโธนับ1หาย ใ, ใจเข้าพุทธหายใจออกโธนับ2องให้นับไปถึง9 10, นะถึง10บอะนะพอถึงสิแล้วก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโธมานับ9มีย้อนขึ้นย้อนลงด้วยที่ท่านสอนแต่เราไปฝึกอายุเจ็ขวบนะนับรู้สึกอย่างนี้นับยาก ไม่นับถึงถึสิบแล้วย้อนอะ่ะแต่นับถึงสิบแล้วนับสิบเอ็ดต่อไปเลยนับไปถึงร้อยเลยนะนี่เราดัดแรงเอานะแต่ว่าทีแรกหายใจแล้วขาดสติหายใจเข้าพูดออกตัวแล้วเคลิ้มไปฝันนะฝันออกไปเที่ยวข้างนอกไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรเนงะี้ยฝันมากๆ ก, ก, ก็ไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรฝันไปแล้วก็จะไปขออยู่กับเทวดาเขาก็ไม่ให้อยู่หรอกนะตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลย แตามากลัวว่าถ้าเกิดไปฝันเห็นผีจะทํำยังไงนะเดี๋ยวผีหลอกเราหลงพ่อเป็นคนกลัวผีนะพวกเราคนไหนกลัวผีบ้างมีไหมวิทยาศาสตร์สอนไหมว่าผีมีอพวกเราบอกอยู่ในยุควิทยาศาสตร์นะแต่หลงพ่อเห็นได้ไหนรายนนะั้นเลยกลัวผีนะนักวิทยาศาสตร์ก็กลัวนะพวกหมอพวกพยาบาลอะไรก็กลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวเมื่อเรากลัวผีนะเราก็เลยพยายามต่อไปนี้เราจะไม่ฝันตอนนั่งสมาธิลนะ ก็จะรู้สึกตัวหายใจเข้าพูดหายใจออกโธพอเคลิ้มๆนะหายใจขยับจังหวะนิดหนึ่งให้รู้สึกตัวรู้สึกไปนะเห็นร่างกายนี้หายใจใจก็เป็นแค่คนดูรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไม่ให้ขาดสติแต่ว่าต่อวิปัสสนาไม่เป็นหรอกเวลาจิตสงบนั้นก็สงบอยู่อย่างนั้นแหละดีสงบเหมือนโลกหายไปเหมือนร่างกายหายไปนะ เหแต่ใจอันเดียวสงบอย่างนั้นไม่ขาดสติเนะี่ยเราต้องไม่ขาดสตินะขาดสติจิตเป็นอกุศลเลยนัย้นทาสมถะก็ทําด้วยความมีสตนะิต่อไปเราก็มาเดิน น, นิพพานหลวงพ่อทำํำวิพพานาไม่เป็นนีม่มีครูบาอาจารยนะ์ฝึกสมถะตั้งแต่เจดขวบนะจนอายุยี่สิบเก้าฝึกสมถะอยู่ยี่สิบสองปีเต็มๆเลยทําทุกวันไม่เลิกเลยนะเจ็บไข้ได้ป่วยก็นอนหายใจไปเรื่อย นะวันไหนเป็นหวันเนี่ยรู้สึกทําสมถ ا ยากเพราะหายใจไม่ออกเราเล่นเป็นลมหายใจอ่ะหายใจไม่ออกจริงๆเหลือแต่พุทโธนะหายใจไม่ได้ก็พุทโธไปนะแล้วค่อยฝึกไปเรื่อยๆนะใจสงบใจอยู่กันเนื้อกับตัวไม่ให้ขาดสติคอรู้สึกตัวเรื่อย่างนี้สมถาย่างนี้ดีสมรถารู้เนื้อรู้ตัวถึงจิตจะสงบก็สงบด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวไม่สงบแล้วลืมตัวเคลอบเคลิ้มขาดสตินะ แะสติสำคัญมากนะทำสมาธิเขาต้องมีสติถ้าไม่มีสติก็คือจิตเป็นอกุศลละเป็นมิจฉาสมาธิเคลิมคล้มเคลมฝันฝันไปใช้ไม่ได้จริงหรอกใน่ล้างกิเลสหรอกนิพพจิตเป็นสมาธิแล้วไนดะ้แต่สมาธิยี่สิบสองปีมาถึงปีสองห้าสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าหกกุมพาเพ่งได้กลับลงปุดุลที่ไคกลับลงปุดุลเพราไปอ่านหนังสือ ความจริงเมื่อก่อนนี้ไปซื้อเหรียญไปเช่าเหรียญหลวปู่หลวปูแหวนมาเหรียญหนึ่งนะเหรียญเหรียญรุ่นที่สร้างโบสถไม่ได้ปกปั่นพระนะไม่ใช่รุ่นนี้ดีกว่ารุ่นอื่นนะหมายถึงว่าเรามีอยู่เหรียญอยู่เดียวอะ่ะแหมมีเหรียญเดียวก็อยากรู้ทําเนียบรุ่นละเดียสิไม่ได้มีรุ่นหนึ่งอับเขาหรอกนะ <c oughs> มีรุ่นอ่ราคาห้าสิบาทเท่านั้นแหละไปซื้อทําเนียบเหรียญหลวงปูแหวนมะวัดสัมพันธ์ทบวพิมพ์นะ เป็นเล่มบางๆมาดูๆๆนะเรามีหนึ่งเหรียญเท่น่าดูเลยนะเหรียญสุดท้ายเลยนะมันมีที่เหลืออยู่นิดหนึ่งในหนังสือนะั้นนะ่ะเขาก็ไม่รู้จะลงอะไรที่เหลือแทนที่จะทิ้ง เ, เปล่าๆนะเขาลงธรรมะของหลวงปู่ดูลงไปบอกว่าจิตโสออนอกเป็นสมุทยัยฝนที่จิตโสออนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคฝนที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธ อันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกนะแต่พระริยะทั้งหลายนะพระริยะเจ้าหมายถึงพระอรหันนะม่จิตออกนอกแนละ้วไม่กระเพื่มบันไหวนะถ้ากระเพื่อมบันไหวก็เป็นสมุทัยขึ้นมาะจิตออกไปกระทบอารมณ์รับอารมณ์ไม่ก็เพื่อมบันไหวนะรู้ตัวอยู่นี่เป็นมรนะนี่ผลเป็นนิโรธฉันสอนอย่างนี้อ่านธรรมะตรงนี้นะลืมเหรียญเลยนะเอ๊ะครูบาจารย์ลงนีแ้แปลกตอนนั้นลงชื่อว่าพระรัตนากรี่สุด ครูบาอาจารย์ตรงนี้แปลกจริงทำไมสอนเรื่องจิตแล้มานึกนึกดูนะถ้าจิตเราออกไปรับอารมณ์นะจิตก็เป็นทุกข์นะเออถ้าจิตไม่ทุกข์ใครจะทุกข์นะเนี่ยเห็นจริงกับท่านนะจะเห็นจริงด้วยการคิดเอาด้วยการวิเคราะห์เอาเนี่ยเที่ยถามคนนะว่าพระรัตนากรว่นนสุทธ์เนี่ยท่านเป็นใครอยู่ที่ไหนแล้วมีผู้เมตตาบอกบอกท่านชื่อหลวงปู่ดุลนะอยู่สุรินนะเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ฟัน่น ตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะหลวงปู่ฟั่ก็สิ้นไปทั้งหลายปีลแล้วเราได้ฟังเราก็อ๋อท่านคงไม่อยู่แล้วละ่ะไม่มีโอกาสเรียนนะอยู่มาอีกช่วงหนึ่งนะมีคนมาบอกว่าท่านยังอยู่นะอยู่ในเมืองสุรินทรนะ์นั่นแหละเลยไปกันสองคนไปกับพงเชษทางานอยู่ด้วยกันเลยชวนกันไปวัดไปหาท่านนะไปลงรถไฟที่สุรินทนระ์แล้วก็เที่ยวไปถามหาว่าวัดบูรพารามอยู่ที่ไหนไม่มีคนรู้จักเลยแปลกไหม ถามๆไปเรื่อยๆนะเราไม่รู้ว่าอยู่อำเภอไหนด้วยซ้ำไปเราไปที่จังหวัดก่อนถามไปจนถึงสี่แยกนะไฟแดงตำรวจเฝ้าอยู่ถามว่าวัดบูรพารามอยู่ที่ไหนมันอยู่หลังตึกแถวเนี้ยเดินมาจนถึงหน้าวัดแล้วนะอแล้วก็ตอบว่าตำรวจนะะถามใครไม่มีใครรู้จักเลยบอกว่าอบคุณไปถามว่าวัดบูรพารามกรสุลินไม่รู้จักหรอกต้องถามว่าวัดบูนอยู่ที่ไหนนี่เราถามปิดวัดนะ่ะ เข้าไปหาท่านนะท่านกําลังฉันข้าวอยู่ไปแล้วปอดนะตอนแรกโอ้ท่านเป็นเจ้าขุนด้วยนะเป็นอาจารย์หลวปู่ฟันด้วยดุส่าวิรุไปปอดปอดอยู่นะพระก็บอกว่าเนี่ยท่านกําลังฉันข้าวอยู่ในขุติให้เข้าไปได้เลยเข้าไปกราบท่านได้เลยตอนเนี้เหมาะที่สุดละเรายังไม่หายปอดนะเราบอกเดี๋ยวเราสักพักให้ท่านฉันเสร็จก่อนนี่มีต่อรองหน่อยนะ น, นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ไปหาครูบาอาจารย์และเป็นครั้งเดียวที่กลัวครูบาอาจารย์กลัวไม่เคยไปหาพระปาพระกรมรมฐานปรากฏ ว, ว่าท่านฉันข้าวเสร็จแล้วนะท่านออกจากกุฏิมามาชงงนะโนกตอนหนีไปอยู่อีกตึกหนึ่งนะจากกุฏิท่าน น, า น, นั้นหนีไปอยู่ที่โรงเรียนสงโรงเรียนโรงเรียนปริยัติธรรมท่านมาชะโกใส่ลราเ่อเข้าไปกราบท่านนะ อันนี้ท่านไม่เข้าห้องแลท่านนั่งที่ระเบียงไปกราบท่านบอกหลวงปูผมนี่จะเรียนอยากปฏิบัติะท่านไม่สอนนะท่านนั่งหลับตาเงียบๆไปเกือบชั่วโมงพอท่านลืมตาขึ้นมาทีแรกเราคิดว่าท่านฉันข้าวแล้วท่านหลับไปแล้วเห็นท่านแก่มากนะแต่นั้นท่านก้าวสิบห้าครับนึกว่าท่านหลับไปแล้วพอท่านลืมตาขึ้นมานะท่านก็สอนเลยะ บอกการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนะังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านสอนอย่างนี้แล้วนะถ้าอ่านจิตตนเองไปด้วยนะก็จะเห็นอริยสัจแห่งจิตเนะข้าใจไหมท่านว่าอย่างนี้เข้าใจไหมเรากําลังกลื้มนะว่าท่านพูดกับเราแล้วท่านเงียบ ม, มาตั้งนานเนะข้าใจครับเข้าใจเออเข้าใจรับไปไปทําเอานะนี่ครูบาอาจารย์นะงั้นที่หลวงพ่อไล่พวกเราเรื่องปฏิปนะ เพราะว่าเเวลาหลูกพ่อไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยพอเข้าใจแล้วนบอกให้ไปปฏิบัติเอาละท่านไม่มีให้อยู่เฉยบอกแม่คุยกันก่อนซิมาตั้งไกลอย่าเพิ่งไปเลยนะมาจากไหนเป็นลูกเต้าเราใครชื่ออะไรเนี่ยทางานอะไรไม่มีเลยนะไม่สนใจเลยนะไม่มีครูบาอาจารย์องค์ไหนหรอกที่ท่านถามอย่างนั้นนะไม่ทักทายปลาใสเสียเวลาเรากําลัางปลื้มนะก็ลากท่านออกมาขึ้นรถไฟ ท่านบอกให้ดูจิตนะพอรถไฟเริ่มวิ่งนะชักตกใจจิตอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้จิตเป็นยังไงเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูเราก็ไม่รู้ไม่รู้รสักอย่างเลยแล้วทำไงดีตกใจตกใจทําอะไรไม่ได้ทําสมถะไว้ก่อนจำไว้นะนี่เป็นหลักของการปฏิบัติข้อ น, นึงเลยทําอะไรไม่เป็นทําสมถะให้ก่อนทําความสงบให้ก่อ น, นเราก็พุทโธไปหายใจไปตามธรรมเนียมของเรานะพอจิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นล้วค่อยมาคิดดู มัใช้ปัญญาคิดนี่เป็นขั้นใช้ปัญญาคิดเอาอไม่ใช่วิปัสสนานะคิดเอาว่าเอ๊ะท่านให้ดูจิตนจิตต้องอยู่ในร่างกายนี่แหละจิตต้องไม่ไปอยู่ข้างนอกหรอกไม่ไปอยู่ในท้องนาไม่ไปอยู่บนภูเขาอะไรที่ไหนจิตต้องอยู่ในร่างกายต่อไปนี้นะเราจะคอยรู้อยู่ในร่างกายเนี่ยไม่ให้เกินกายออกไปนี่เป็นกฎอีกข้อหนึ่งของการปฏิบัตินะรู้อยู่ในวงของกายของใจตัวเองอย่าเกินนี้ออกไปนะจะภาวนาเพื่วความพ้นทุกข์นะ ตอนนั้นจิตมันเดินเข้ามาในร่องนี้เองนะโดยไม่ได้เจตนาเลยเป็นพิจนาของมันเองนะเริ่มเลยแต่ทําอะไรไม่ถูกทําความสงบไว้ก่อนให้ใจสบายไว้ก่อนแล้วมาใช้สติปัญญาค้นคว้าพิจารณาเอา น, ะนี่ค้นคว้าพิจารณาแล้วก็พบว่าอ๋อการปฏิบัติเนี่ยอยู่ในวงของกายของใจไม่เกินกายเกินใจออกไปเพราจิตทั้งอยู่ในร่างกายนี้นะคราวนี้มาหาจิต่ะจิตอยู่ที่ไหนวะรู้แต่ว่าอยู่ในร่างกายจิตอยู่ในผมหรือเปล่า สัมผัสผมเลยแต่นั <4: 5. S 1> ้นผมยาวนะผมยาวเหมือนมอโอ๊เงี้ยสัมผัสได้มีเปล่าว่าจิตอยู่ในนี้ไหมสัมผัสสัมผัสไม่เห็นมีจิตเลยไอ้นี่มันวัตถุแท้แท้เลยเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุแท้แท้เลยนหรือว่าจิตอยู่ในขนมีขนคิ้วสัมผัสดูไม่เห็นมีจิตอยู่ในขนคิ้วเลยหรืออยู่ในเล็บจิตอยู่ในเล็บไหมในฟันไหมในหนังไหมสัมผัสไปเรื่อนะสัมผัสดูหาดูซิจิตมีไหม ไล่ๆนะตั้งแต่หัวถึงเท้าเลยไล่อยู่ในอาการสามสิบสองเรารู้ว่าจิตอยู่ในกายนะกายนี้ประกอบด้วยอาการสามสิบสองไล่อยู่อย่างนี้ตั้งแต่หัวถึงเท้าไม่เจอจิตเอจตเ๊จิตไม่ใช่ร่างกายเนี่เห็นไหมจิตไม่ใช่ร่างกายหรอกเริ่มรู้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วจิตไม่ใช่กายรือจิตเป็นความรู้สึกความรู้สึกมีอะไรม้างความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆไหนดูซิ นั่งทำใจสบายหายใจไปฝุกโธไปหายใจไปจิตมีความสุขขึ้นมาดูลงไปที่ความสุขไหนความสุขู่จิตไหมดูดูไปความสุขหายไปเอ๊ะความสุขก็ไม่ใช่จิตใะความสุขหายไปแล้วจิตก็ยังไม่หายนะอืมยังไม่ลืมโลกเนี่ยยังรู้สึกอยู่วนะนั้นความสุขไม่ใช่จิตนั่งไม่กระดิกเลยนะนั่งจนกระทั่งเมื่อยเลยดูไปอีกความทุกข์เป็นจิตไหมความป่วยความเมื่อยเป็นจิตไหมก็พบว่าไม่ใช่จิตนี่หลวงพ่อกำลังทําอะไรพวกเราด้วยไหม กำลังหัดแยกธาตุแยกขันธนะ์ตอนนั้นมันแยกอัตโนมัตินะได้ยินครูบาอาจารย์สอนมาหัดแยกด้วยอัตโนมัติเลยนะท่านไม่ได้บอกเลยว่าให้กลับมาแยกธาตุแยกขันธ์ฉันได้ไม่สิกดสามข้อแล้วนะนนแรกเลยทําอะไรไม่ถูกนะทําความสงบไม่ก่อนอย่าตกใจนะนั้นดูจิตได้ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูกายดยจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ดูอะไรไม่รู้เรื่องเลยทําความสงบไหมนะ พอจิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นแล้วคันเนี้ยมันค่อยเกิดสติเกิดปัญญาให้มาแก้ปัญหากฎข้อที่สองนะเรียนรู้กรรมฐานเนี้ยรู้ลงในกายในใจอย่าเกินใจเกินใจออกไปนะกฎข้อที่สนะถ้าจะเดินปัญญาเนี้ยต้องแยกธาตุแยกขันธ์แยกรูปแยกนามให้ได้นะตอนนั้นจิตของพ้อมันเดินเองนะมันเดินการแยกธาตุแยกขันธ์เองมันค่อยๆแยกไปร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะค่อยๆฝึกไปได้ได เ, เวทนาก็ไม่ใช่จิตนะตอนนี้ชักกระสับกระสายแล้วจิตกระสับกระส่ายขึ้นมานะว่าอเอ๊ะเราหาจิตไม่เจอนะดูเวทนาก็ไม่ใช่จิตล้สุขทุกข์ไม่ใช่จิตแล้วแล้วจิตอยู่ไหนลนะ่ะกระสับกระสายเกิดขึ้นนะเห็นอีกความกระสับกระส่ายก็ไม่ใช่จิตนะเนื้อหักแยกไปเรยหรือว่าจิตเป็นความคิดคิดอย่างนี้นะหรือว่าจิตคือความคิดหลวงพ่อก็นึกความคิดขึ้นมาเลยแทนที่จะปล่อยให้คิดสเปรย์สปะนะคิดบทสวดมนต์ บทสวดมนต์ที่คิดมา น, นั้นน่าจะจำได้แม่นเลยคิดคําว่าพุทธโธสุสุธโธกรุณามหั a n น w o ให้เคยสวดบทนี้บ้างโทน้อยจังเลยน่าสงสารมีอีกไม่ให้กําลังใจกันบ้าง <c oughs> พุทธโธสุสุธโธกรุณามห h นโ o น, นะพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังพุง่งมาหันนกไม่เพล้อออกนะ เนี่ยพอเราคิดแล้ว่าพุทโธสุดๆโธกรุณาหมันโนนะก็เห็นความคิดเนี่ยเหมือนหมูเลื้อยออกมาเลื้อยออกมาจากจากรูนะแต่ว water, Doc, Uber, mark, ่าความคิดเนี่ยเลื้อยออกมาจากความว่างความว่างอยู่กลางอกนี่ความคิดนี่เลื้อยออกมาจากความว่างที่กลางหน้าอกนี่ฉับพลันที่เรารู้ทันจิตที่คิดเนี่ยจิตก็ถอนตัวออกมาฉับพลันเลยเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาในฉับพลันนั้นเองแม้เรารู้ความคิด พุทโธสุดๆโธกรุณามหั่นโว่พอรู้ทันว่าจิตคิดท่านั้นเองจิตรู้ก็เกิดขึ้นจําไว้นะจิตรู้กับจิตคิดเป็นสิ่งตรงข้ามกันนะถ้าเมื่อไรคิดเมื่อนั้นไม่รู้เมื่อไหรรู้เมื่อนั้นไม่คิดหรอกนะดังนั้นทันทีที่จิตรู้เกิดจิตคิดเกิดขึ้นแล้วเรามีสติรู้ทันจิตที่คิดจิตจะเปลี่ยนจากจิตผู้คิดกลายเป็นจิตผู้รู้ทันทีเลยเดฟุ้บขึ้นมาเลยนะตอนนั้นมาถึงหัวลําโพงพอดีเลยนะ จากสุรินนะไปแกล้วราชไปหาหลวงพ่อพุธหน่อยหนึ่งไม่เคยเจอหลวงพ่อพุธเหมือนกันเข้าไปกราบท่านนะไปกราบท่านแล้วก็ขึ้นรถไฟต่อมากรุงเทพมาถึงทีเที่ยเย็นๆนะสวดพุทธโธสุดๆโธจิตแยกออกมาเป็นผู้รู้แยกได้ขณะเดียวนะเดี๋ยวเดียวไหลปุ๊บก็ไปรวมกับอารมณ์แล้วเราเอ๊จิตากับอารมณ์นี้แยกออกจากกันได้จิตากับอารมณ์นี้แยกออกจากกันได้นะต่อไปนี้เราต้องหัดแยกแล้วถ้าจะแยกเราจะดีนะ ถ้แยกได้ตลอดคงเป็นพระอราหันต์นี่คิดอย่างนี้นะอืแยกพยายามแยกใหญ่วันไหนมันเกาะกันนะก็พยายามดึงออกมาบางวันก็ดึงแล้วหลุดออกมาได้ถือว่าวันนี้ภาวนาดีอีกวันหนึ่งดึงไม่ออกนะเพ่งไปเลยเพ่งจน ก, กระทั่งไอ้ก้อนหนักๆเ น, น, นี่ยระเบิดนะโป้งไปใจหลุดออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดุยแล้วโอ้วันนี้ภาวนาดีอีกวันหนึ่งเพ่งไม่แตกนะเพ่งไม่แตกแล้วเฉือนมันเฉือนมันแบบนี้ผ่าตัดเลยฉือนมันไปเรื่อยไอ้ก้อนนี้ถูกเฉือนเฉือนหายไปเลย ใจถอยลงมาเป็นผู้รู้ผู้ดูโอ้วันนี้ภาวนาดีแล้วมีแต่ตัวผู้รู้นะรักษาตัวผู้รู้ไว้นะแล้วก็คอยปัดสิ่งปลูกแต่งทั้งหลายทินะ้งเลจะเอาแต่ตัวผู้รู้อย่างเดียวเลยนี่ฝึกอย่างนี้สามเดือนนะฝึกรักษาจิตใจรักษาตัวผู้รู้ให้สงบให้มึนเนี่ยแหละความปลูกแต่งเกิดขึ้นปัดทิ้งปรัดทิ้งไปหมดความคิดเมื่เป็นไปัดทิ้งไปหมดเลยให้จิตมันหลุดออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูสงบอยู่ภายในคิดว่าถ้าอยู่ตรงนี้ได้นิรันดอนเนืพระละหันชัวเลย ขึ้นไปการาบหลวงปู่ดูล น, นะสามเดือนผ่านไปไปกราบท่านหลวงปู่ครับผมดูจิตเป็นแล้วจิตเป็นยังไงโอ้ยจิตมันเป็นอย่างรน้นเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมสามารถถอนออกมาได้นะครับอะไรมานะผมปัดหมดเลยปัดทิ้งไปเลยเหลือแต่จิตอันเดียวเลยนึกว่าท่านจะชมท่านท่าทางท้อแท้ใจท่านบอกไอ้ที่ดูอยู่นั้นไม่ใช่จิตหรอกนะไปยุ่งอยู่กับอาการของจิตว่าจะไปแก้อาการ กลับไปดูใหม่ไปไปดูใหม่นะท่านสอนเรารู้เรื่องแล้วท่านก็ให้เราไปภาวนาเวลาที่ไปอ่านพระสูตรลองไปอ่านดูสิพระสงฆ์นะพระภิกษุไปเรียนจากพระพุทธเจ้าอ่ะก็เรียนต่อรู้เรื่องวิธีปฏิบัติแล้วพระพุทธเจ้าจะไล่น่นคนไม้น่นเบเรนว่างไหมนี่ป่านี่ภูเขาที่ถ้าไปภาวนาเอาเนี่ยนะเหตุนรกปู่ดูเนี่ยเดินปฏิปทาแบบพระพุทธเจ้าเลยนะ ถ้ารู้สิทรู้เรื่อง ร, รู้วิธีปฏิบัติแล้วให้ไปทําออาอย่ามาเกาะอาจารย์อยู่นะเสียเวลาอืมไม่ประคบประงมหรอกให้ไปสู้เอาเรากลับมานะหลวงปู่บอกว่าดูผิดนะมัวไปยุ่งกับอาการพอทั้งนั้นต่อไปนี้เราจะทําตัวเป็นแค่ผู้ ด, ดูจำไว้นะมีกฎอีกข้อหนึงแนละไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายเราจะทําตัวเป็นแค่คนดูไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นใะนใจเราจะทําตัวเป็นแค่คนดูนะเป็นแค่คนดูเท่านั้น หล e the walk, that path, the walk, ังจากนั้นก็ดูไปเห็นทุกสิ่งเกิดแล้วก็ดับไปทุกสิ่งเกิดแล้วก็ดับไปบางวันจิตก็ไหลไปรวมอารมณ์บางวันจิตก็แยกอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิ้นนจิตที่รวมอารมณ์เกิดแล้วก็ดับจิตที่แยกเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเห็นอยู่ในนี้น่ะซ้ําแล้วซ้าอีกการที่เราเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนะล้วนแต่ทนอยู่ในภาวะอันใดนหนึ่งไม่ได้ล้วนแต่บังคับไม่ได้ เป็นไ ต, ตามเหตุตามปัจจัยของมันทั้งสิ้นนี่คือการเห็นรูปนามสแสดงไตรลักษณ์ตรง น, นี้แหละคือตัววิปัสสนาจริงๆนะวิปัสสนาไม่ใช่คิดเอาหรอกคิดเอาเป็นอุบายเบื้องต้นบางคนทําความสงบทําสมถะแล้วจิตสงบนิ่งเฉยอยู่อย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ให้คิดพิจารณากายเลยเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นให้จิตทํางานไม่ให้จิตติดเฉยนะนี่กองหลวงพ่อพระหลวงปู่ให้ดูจิตนะเราดูทําตัวเป็นแค่คนดู ไม่ใช่นักประพันธ์ไม่ต้องแต่งบทให้จิตเดินว่าจิตต้องเป็นอย่างนั้นจิตต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ผู้กำกับเวทีว่าควรจะอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ห้ามอย่างน้อนห้ามอย่างนี้ไม่มีนะแล้วก็ไม่ใช่คนวิจารณ์ด้วยว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเราทำตัวเป็นคนดูไม่ใช่นักประพันธ์ไม่ใช่ผู้กำกับเวทีไม่ใช่นักวิจารณ์บทละครหรือนักวิจารณ์การเล่นละครทำตัวเป็นคนดูเท่านั้นเองนะ เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฝึกเลื่อยไปสติสมาธิปัญญามันจะแก่รอบขึ้นเรื่อยๆแต่เดิมหลงนานๆถึงจะรู้เราหัดรู้บ่อยๆนะต่อไปรู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะจนกระทั่งขยับตัวคลิกมือรู้สึกขยับตัวคลิกเดียวรู้สึกนะว่าใจไหวขึ้นมากิเลสไหวแวบขึ้นมาเนี่ยรู้สึกเลยนะฝึกไปนอนกลางคืนนะหลับอยู่นะพลิกซ้ายพลิกขวา ย, ยังรู้สึกเลยนะมาฝันร้ายขึ้นมาจิตตกใจนะ ก็รู้สึ ก, กแล้วสติระลึกรู้อีกแนะไม่ฝึกจกนกระทั่งสติอัตโนมัตินะฝึกจกนกระทั่งมันมาระลึกรู้ได้เองรู้ในกายโดยอัตโนมัติรู้ในจิตโดยอัตโนมัตินะสมาธิของเราก็ตั้งมั่นคือจิตใจตั้งมั่นอยู่กันเนื้อกับตัวมากขึ้นมากขึ้นตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตมีความสาุขมีความสงบมีความโปร่งล่ ง, ลงเบาสบายนะโดยอัตโนมัติอยู่นะไม่ได้กลับหองไวเลยจิตไม่ไปเที่ยวที่ไหนละไปก็ไปไม่นานเดี๋ยวก็กลับมานะ นี่สมาธิมันเริ่มอัตโนมัติขึ้นมานะ่นค่อยฝึกไปทุกวันทุกวันนะเห็นแต่ทุกอย่างเกิดระดับทุกอย่างเกิดระดับนี่คือปัญญานะเราภาวนาจนถึงจุดที่สติสมาธิปัญญามันอัตโนมัตินะนะแล้วธรรมะแท้ๆที่เกิดขึ้นเองถ้าสติยังจงใจทำให้เกิดสมาธิจงใจประคองรักษาปัญญาจงใจคิดพิจารณาอันนี้จะยังไม่เกิดผลนะ จะเป็นวิธีเบื้องต้นกระตุ้นให้สติสมาธิปัญญาแก่รอบขึ้นนะแต่ว่าเมื่อมันแก่รอบแล้วสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัตินะแล้วมันจะชุมลงที่เดียวกันนะประชุมลงที่จิตนะไม่ไปไปชุมลงที่อื่นหรอกไปชุมลงที่จิตเองงั้นจิตนี่แหละเป็นเหมือนกับที่รองรับธรรมะเลยนะสติสมาธิปัญญาเนี่ยสติระลึกรู้จิตโดยที่ไม่ได้เจตนาระลึก นะไม่มีน้ำหนักเกิดขึ้นในใจเลยเพราะไม่ได้โจใจนะสมาธิก็คือใจตั้งมั่นอยู่ที่จิตไม่ได้ไหลไปที่ไหนเลยโรงตัวอยู่โดยที่ไม่ได้ปลอบของไว้ปัญญานะอย่างซึ้งลงในจิตนะอย่างซึ้งลงในจิตโดยที่ไม่ได้เจตนาชิดในขณะนั้นไม่มีความคิดไม่มีภาษาของมนุษย์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะนั้นสภาวะที่ธรรมะเขาใช้เกิดของเขาเองเราต้องฝึกนะฝึกไปเรื่อยๆฝึกไป วันหนึ่งพอจิตมันเข้าใจธรรมะแล้วนะถ้าเข้าใจเบื้องต้นมันจะรู้เลยว่าตัวเราไม่มีนะรูปธรรมนา ม, มาทำทั้งหลายที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวเรานั้นเอาเข้าจริงไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นส่วนหนึ่งของโลกซะหนเองร่างกายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกจิตใจนี้ก็เป็นสมบัติของโลกนะไม่มีของเราสักอันเดียวไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ไม่มีตัวเราที่ใดเลยนะนี่เป็นปัญญาบเบื้องต้นนะล้างความเห็นผิดเบื้องต้นได้ได้เป็นพระโสดา บ, บันได้ ถัดไปก็พานาไปเรื่อยนะเราจะเห็นเลขันทั้งหลายเป็นแต่กองทุกข์ขันทั้งหลายเป็นทุกข์นะขันทั้งหลายไม่ใช่ของดีของวิเศษจะรู้สึกอย่างนี้อย่างพวกเราตอนนี้รู้สึกว่าขันห้าของเราเนี่ยเป็นของดีของวิเศษอย่างร่างกายเราเป็นของดีของวิเศษนะร่างกายเรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกไตอะไรเนี่ยมันนําความสุขมาให้ได้มีตาเราไปเห็นของสวยมีหูเราได้ฟังของดีฟังของเพล่ะอะไรนี่ยมีจมูกได้กลิ่นหอมเนีย เรารู้สึกว่ามันนำความสุขมาให้มีใจนี่เอาไว้เสพสุขได้มีความสุขอย่างงอนอย่างนี้ได้ลืมไปว่ามีสุขได้ก็ยังมีทุกข์ได้มีดีได้ยังมีชั่วตามมันแนบมาตลอดเมื่อมีตาอยู่เห็นของสวยได้ก็ต้องเห็นของน่าเกลียดได้มีจมูกได้กลิ่นหอมได้ก็ได้กลิ่นเหม็นได้แลมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะเนี่ยถ้าสติปัญญาซักฟอกลงมาในกายเห็นเลยกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ความสุขเป็นภาพดวงตาเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวในรอยต่อ เป็นรอยต่อของความทุกข์เท่านั้นเองนะรายต่อของความทุกข์เท่านั้นเองเราก็รู้สึกว่าสุขแล้วแค่นั้นเองความทุกข์มันระ ง, งับลงชนะั่วคราวนะถ้าฝึกไปเรื่อยนะวันหนึ่งปัญญาแก่รอบขึ้นมากายนี้ทุกขล้นล้นหน่ยจิตจะสลัดคืนกายให้โลกหนยนะมันจะคืนกายก่อนคืนจิตนะเี่คืนกายให้โลกไปตรงที่คืนกายให้โลกนะจะไม่ยึดตาหูวจมูกลิ้นกายเมื่อไม่ยึดกระทั่งตาก็าไม่ยึดรูปเรายึดรูปเพราะว่าเราเราล็กตานะเพราะเราหลงรูปนะ นี่กระทั่งตาเรายัางไม่เอาเลยรูปมันจะมีควา ม, ม, าาว ม, ม, มความหมายอนะไรตาหูจมูกเลี้ยงกายไม่มีความหมายนะเพราะฉะั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเลยไม่มีความหมายละเพราะกระทั่งตายัางไม่เอาเลยจะสนใจรูปอะไรเนี่เถ้าใจมันไม่เอานะเวลากระทบตาหูจมูกเลี้ยงกายกระทบอารมณ์ทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผสัสนะความยินดียินร้ายจะไม่มีขึ้นมาจะเป็นกลางกระทบแล้วเป็นกลางนะกามและปฏิฆาจะไม่เกิดขึ้นมานะเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะ แล้วภาวนาต่อไปเนี่มันจะบีบวงเข้ามาที่จิตอันเดียวแล้วเพราะว่ามันแจ้งในกายมันคืนกายให้โรคได้แล้วเหลือที่จิตอันเดียวนะยังหวงแหนจิตยังถนอมรักษาจิตอยู่ทั้งๆที่รู้ว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานะยืมโลกมาใช้แต่ว่ายังเสียดายที่จะปล่อยรู้สึกว่ารักษาจิตไว้ได้มีความสุขถ้าเมื่อไร่จิตมีความอยากเมื่อไรจิตมีความยึดเมื่อนั้นจิตมีความทุกเมื่อไรไม่อยากเมื่อไรไม่ยึดเมื่อนั้นจิตมีความสุขเนี่ยจะมีความเห็นจิตอย่างนี้ ภาวนาต่อไปเรื่อยนะจนวันหนึ่งปัญญามันแจ้งแจ่มแจ้งจริงๆจะเห็นเลยตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์นะเมื่อไรเห็นตัวจิตเป็นตัวทุกข์นะบางท่านเห็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันท่านเห็นทุกข์เพราะมันทนอยู่ไม่ได้นะมันถูกบีบคั้นบางท่านเห็นทุกข์เพราะมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เรานะท่านสลัดคืนไปก็คือเห็นจิตนั่ น, หนแหละแสดงไตรลักนั่นเองอันใดอันหนึ่งไม่ต้องทั้งสามอันนะเวลาแตกหักเนี่ยจะรู้อันใดหนึ่งในไตรักนะบางคนเห็นอนิจจังเห็นจิตเป็นอนิจจัง บางคนเห็นจิตเป็นทุกข์ขังบางคนเห็นจิตเป็นอนัตตาก็วางนะพอวางจิตไปได้จะไม่มีสิ่งใดให้หยิบฉวยอีกแล้วนะคืนขันห้าให้โลกไปหมดแล้วต่อไปมีชีวิตอยู่ในโลกนะแบบไม่ติดโลกแล้วเพราะว่าไม่ยึดขันนะผลจากขันก็ผลจากโลกเพราะฉะนั้บางทีพระพุทธเจ้าท่านอธิบายกับว่าโลกก็คือขันนั่นเองนะแต่เราค่อยฝึกนะพวกเรามีบุญมากแล้วละ่ะได้ฟังธรรมะเหลือแต่ไปไ ป, ปฏิบัติเอาให้ได้นะ อย่าลืมกดทั้งหลายที่หลวงพ่อพยายามบอกทุกวีทุกวันนะจำหลักให้แม่นแล้วการภาวนาจะ ง, ง่ายอย่างแต่ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่เนี่ยไม่ใช่วิจีการปฏิบัติเลยประคองจิตให้นิ่งให้ว่างเป็นสมถกรรมฐานนะต้องมาเจริญปัญญาแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปนะจนถึงสุดท้ายนะแยกไปหมดแล้วขันธ์รูปร่างกายอะไรที่แยกไปหมดแล้วนะเหลือจิตอันเดียวนะี่ นั่มาแยกจิตนะมาแยกแยะลงในจิตมาเห็นแจ้งลงในจิตว่าเป็นใจรักเนี่ยเพียงจะวางนั่นที่หลวงปู่ดูลบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมัจเนี่ยท่านพูดแบบเกรงใจถ้าพูดแบบไม่เกรงใจท่านจะต้องบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตต์มัจนะมันสูงขนาดนั้นนะ ก่อนหน้านั้นบางทีรู้กายมานะบางคนรู้จิตมาแล้วก็แจ้งได้ธรรมะเป็นลําดับลําดับมาบางคนรู้กายแล้วแจ้งมาเป็นลําดับลําดับมานะแล้วสุดท้ายมาตลุยกันที่จิตนี่เองนะทุกทุกคนเลยลงมาที่จิตนี่เองมาแจ้งอริยสัจ ต, ตรงนี้เองนะเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับนิมนต์